มาจากที่ไหนมาจากที่ไหนเทพค่ะอดีว่าลูกชายบวชเนที่วัดยานค่ะอ๋อบวชที่วัดยานแล้วบวชที่วัดพระราเ้าบวชวัดพระรามเก้าค่ะมาที่วัดยานเนี่ยค่ะเพราะว่าเนรที่บวชที่วัดยานเสร็จไปหมดแล้วที่มาเมื่อสองวันก่อนมาเก้าสิบลูกตอนนี้ยังอยู่อป่ะ อยู่ตอนจะกลับไปที่วัดพระรามเก้าวันที่12ครับสิบสองลูกอายุเท่าไหร่ที่บวชนี่10 <16 S 1> <16. S 2> ิบขวบค่ะสิบขวบได้พบกั น, นแล้วยังพบกันค่ะระยะนะบวชมาเบียนเบียนกว่าแล้วก็พลาดไม่ลองสึกแต่ <laughs> รุ่นที่ลแล้วค่ะอา <laughs> มารอบสอง แสดงว่ามีบุญเก่าเยอะยัยงสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนให้นก็บวชตั้งแต่เป็นเน็คือบวชแล้วก็ศึกษาลรําเรียนต่ลังเติบโตเป็นพระศึกษาทางธรรมมาตลอดสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระยาสังวร ถ้าเขาอยากจะบวชก็ให้เขาบวชไปเถอดทางธรรมดีกว่าทางโลกอยู่แล้วทางธรรมทางหลุดพ้นทางโลกทางติ ด, ต, ดติดอยู่ในวัฏะเวียนว่ายตายเกิดพวกเรานี้เกิดตายเกิดตายกันมาหน้ไม่ถวนแะลแต่ไม่รู้กันเขยว่าพึ่ง ม, มาเกิดพึ่ง ม, มาตาย ชาตินี้แต่ความจริงถ้าเก็บสถิติไว้ก็ไม่รู้เป็นเป็นชาติที่กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้บวชเพราะว่าเราเราไม่ได้กำจัดเหตุที่มันทำให้เรามาเกิดกันการบวชนี่มากำจัดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดการเกิดมัน ดีนิดเดียวสุขนิดเดียวแต่มันทุกข์มากรับมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับภัยอันตรายต่างๆที่จะมากระทบกระเทือนกับชีวิตร่างกายมีทั้งภัยธรรมชาติภัยจากเชื้อโรคต่างๆ ภัยจากคนด้วยกันภัยจากอุบัติเหตุภัยเกิดจากการอดยาขาดแคลนภัยสงครามว่ามีภัยร้อยแปดก็ ย, ย, ยังมีภัยที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ไม่เขดกันตายไปก็กลับมาเกิดกันใหม่ เพราะว่ามันไม่ได้ไปกาจัดความอยากจึงต้องสอนให้รู้ว่าการเกิดของพวกเรานี้มันไม่ดีหรือว่าไปคุยกันที่ทางนู้นนั้นนะอย่แข่งกับคุยกับหลวงพ่อเลยนะไปนั่งที่ตรงที่จอดจรถทันอะยู่ก่านนะะมีกติกานะถ้าตรงนี้ถ้าจะนั่งตรงนี้ต้องคุยคนเดียว อันนี้พูดจริงๆเนอะไม่ได้พูดเล่นนะเห็นไหมเนี่ยไม่หยุดใช่ไหมไปไปนั่งตรงนุ้นไปไปนั่งที่จอดลานจอดรถตรงนั้นสักพังว่างมันคุยธรรมะแล้วมีอะไรเสียงรบกวนแล้วมัน มันเสียความบรรยากาศผู้ใหญ่าพาไปหน่อยได้ไหมทางศาสนาพูดจึงพยายามเน้นเรื่องความทุกข์ของชีวิตคนก็เลยคิดว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่มองโลกในแงนล่ลบคือถ้าไม่เชื่อเห็นทุกข์มันก็จะไม่เข็ด มันก็จะสนุกสนานกันไปแตเวลาทุกนี้กระโดดตึกตายกันนะฆ่าตัวตายกันฆ่าคนอื่นตีตัวเองทุกฆ่าตัวเองไม่พอต้องไปฆ่าคนอื่นด้วยฆ่าทั้งครอบครัวตัวเองทุกคนเดียวแต่ลูกเมียไม่ได้ทุกแต่ตัวเองกลัวเขาจะทุกข์เวลาเขาตายตัวเขเราตายแล้วลูกเมียจะจะทุกข์ก็เลยฆ่าก็ด้วย ความทุกขมันเวลามันทุกข์แล้วมันมันมันแก้ยากเพรฉนเราต้องเตือนไทรเราอยู่เรื่อเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆงเรื่องของความทุกข์ต่างๆต้องซ้อมซ้อมซ้อมหเหมือนกับตึกเดี๋ยวนี้เกามีซ้อมหนีหนี้ไฟเรื่อยๆ เราไม่เตรียมไว้เดี๋ยวเวลาไฟไหม้ไม่รู้จะไปทางไหนกันพระพุทธศาสนาสอนเพื่อให้เราเตรียมหนีภัยกันเพราะภัยมันจะมาภัยต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะเกิดก็ได้ภัยบางอย่างอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่เวลามันเกิดม่ไม่เตือนมันไม่บอกงงง่าย ประเทศที่ก็มีสงครามการเมืองการเมืองกั น, กนใช่ไหมใครไปคิดว่าเขาจะมีกันนะพอมีขึ้นมาแล้วเป็นยังไงมีแต่ความทุกข์อยู่ก็ทุกข์หนีก็ทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่ปลอดภัยศาสนาพุทธสอนแต่ความทุกข์ อริยสัจสี่สัจธรรมอริยสัจข้อที่แรกก็คือความทุกข์พระุธาบอกว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือการเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความแก่ก็ทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์การพร‑‑าดพาจากกันก็ทุกข์ นี่คือภัยที่เราจะต้องเจอกันเมื่อเรามาเกิดเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอไปเร็บพอไม่สบายทีนี้โหยหวันไหวกันเจ้าละหวนหมอขอเอาเนื้อไปตรวจนายนี้ก็ ส่งข้อความมาขอพระว่าขอให้เป็นเนื้อดีอย่าเป็นเนื้ อ, อร้ายพระไม่รู้อิเหนาอิเหน่พระก็เป็นเหมือนกันเนื้อของพระมันก็เป็นได้พเพราะมั น, นเนื้อเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันพระก็หนีไม่พ้นญาติโยมก็หนีไม่พ้นแต่พระรู้ซ้อมไว้ก่อนรู้จัก รู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักตายเวลาแก่รู้ว่าต้องทำอะไรเวลาเจ็บต้องทำอะไรเวลาตายต้องทำอะไรมันก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ทุกข์กันคนที่รู้จักวิธีหนีภัยหนีภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายภัยที่เกิดจากการพัดพากจากกันจะไม่ทุกข์กัน เพราะมีวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กันพระพุทธเจานอกจากบอกเรื่องทุกข์แล้วว่าคืออะไรท่านยังบอกว่าต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรเมื่อเรารู้เหตุว่าอะไรทำให้เราทุกข์เราก็ํำจัดเหตุนั้นสิถ้าไม่มีเหตุนั้นแล้วทุกข์ก็จะไม่มี <c oughs> เข้าใจหม <c oughs> เหมือนหมอก็ตรวจร่างกายไม่สบายเนี่ย หมอก็ต้องหาสาเหตุว่าไม่สบายเพราะอะไรถ้ารู้สาเหตุว่าไม่สบายเพราะเชื้อโรคชนิดนี้หมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากินพอกินยาฆ่าเชื้อเชื้อตายไปโรค ก, ก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันใจเราทุกข์กันก็มีสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์ สาเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือก็มีอยู่สามสาเหตุใหญ่ๆสาเหตุที่หนึ่งก็คือความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมีใครอยากดูมะอยากฟังไหอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆทางร่างกายไหม เวลาเกิดความอยากแล้วมันสบายใจไหมมันไม่สบายใจอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้แล้วไม่ได้ไปเที่ยวรู้สึกยังไงแต่พอได้ไปเที่ยวก็ดีใจสบายใจก็เลยคิดว่าวิธีที่จะทําให้เราหายจากความไม่สบายใจก็ต้องทําตามความอยากแต่มันหายไปนานไหมนะ หาไปแค่ตอนที่ไปเที่ยวใช่ไห <Yeah. S 1> เพราะกลับมาอยู่บ้านอีกก็ทุกอีกแล้ว <Yeah. S 1> อยากอีกแล้ว <c oughs> เพราะความอยากมันไม่หมดพระพุท <c oughs> ธเจ้าทรงคนพบวิธีว่าจะให้มันไม่อยากก็ต้องไม่ทำตามความอยาก <c oughs> มันอยากไปเที่ยวก็อยากไปแ <c oughs> ทนที่จะไปเที่ยวพรมไปอยู่วัดแทนไปอยู่วัดแทนไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ ไปทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากเที่ยวก็หายไปความไม่สบายใจที่อยากไปเที่ยวก็หายไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมาถ้ามันกลับมาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปเที่ยวอย่าไปทําตามที่มันต้องการเหมือนคนที่อยากสูบบุหรี่ถ้าอยากสูบบุหรี่แล้วสูบมันมันจะหมดไหมเดี๋ยวมันก็มีความอยากขึ้นมาใหม่ แต่ถ้ามันอยากสูบเราไม่สูบเอาบุหรี่ทุกครั้งอยากจะสูบก็เอาบุหรี่ออกมาแล้วก็ฉีดทิ้งไปฉีดทิ้งไปทุกครั้งหรือว่าใครจะชนะกันต่อไปมันก็ไม่สูบเพราะมันไม่มันไ ม, ม, นไม่เวลาอยากจะสูบมันก็ไม่สูบเอามาฉีดทิ้งหมดเอามาฉีดมันไปไเลยเอากรรไกรมาตัดมันก็ได้ แล้วไม่กี่ครั้งต่อไปความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นตอนนั้นตอนที่อยากแล้วไม่ได้สูบนี่ยมันทุกข์มากที่ทนความอยากไม่ได้สู้ความอยากไม่ได้เพราะมันทุกข์แต่พระเจ้าให้ให้ยามาแก้ให้เครื่องมือมาแก้ก็คือให้ใช้สติใช้สมาธิหรือใช้ปัญญา ติก็คือเวลาอยากก็พุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิไปอยากไปให้มันคิดถึงความอยากแล้วความอยากมันก็จะสงบตัวชั่อข่าวแล้วใช้ปัญญาบอกว่าถ้าทำตามความอยากมันก็จะอยากอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากบุหรี่ไม่มีความอยากไปเที่ยว สมัยก่อนล้ว ก, ก็อยากเที่ยวเราเคยเที่ยวสมัยเป็นนักเรียนนี่โอ้อยากจะเที่ยวเราก็เที่ยวแหลกเหมือนกันขากลับเรียนไปเรียนจบที่สหรัฐพอจบก็ซื้อตั๋วเที่ยวเลยไปเที่ยวยุโรปไม่รู้กี่ประเทศเจ็ดแปดเก้าประเทศซื้อตั๋วเดือนซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็ตั๋วรถไฟใบหนึ่งนี้ใช้ได้เดือนหนึ่ง ขึ้นได้ทุกทุกเที่ยวทุกขบวนไม่ต้องไปจองตัว๋วไม่ต้องอะไรถึงเวลาก็ขึ้นถ้ามีที่นั่งก็นั่งได้เลยก็เรียกตั๋วเดือนอ๋อเที่ยวแหละแต่พอเที่ยวแล้วก็เข็ดเหนื่อยไปแต่ละที่ก็ลองหาที่อยู่ที่กินที่นอนหาที่เที่ยวอห้ อพอกลับมาบ้านนี้ไม่อยากไปไหนแะ้วแล้วก็พอดีกลับมาก็เลยได้หนังสือธรรมะก็เลยได้พบเนี่ยพบว่าความทุกข์เพราะความอยากเที่ยวเนี่ยเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวก็อยากเที่ยวอีกหายเหนื่อยแล้วก็อยากจะเที่ยวต่อพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้มานั่งสมาธิดีกว่ามาหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิ ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากได้เวลานั่งสมาธิใจสงบนี้มันมีความสุขมากกว่าได้ไปเที่ยวอีกได้ได้สูบบุหรี่ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากมันก็เลยทําให้เราเลิกความอยากได้เนี่ยตอนนี้เรายังทุกกับ ความแก่เพราะอะไรเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากแก่ก็เป็นความอยากแบบนึงแล้ว เ, เรียกอยากไม่แก่อย่างนี้ถูกเ่าความอยากไม่แก่ก็ทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ได้ปล่อยมันแก่ไปห้ามมันได้เปล่าอยากไม่อยากแล้วมันมันไม่แก่ได้หรือเปล่ามันก็ต้องแก่ เรายอมรับความจริงเลยยอมรับว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องแก่พอเรายอมรับมันได้ไม่ฝืนเราก็ไม่ทุกข์กับความแก่อยู่กับความแก่ไปเวลาเจ็บก็เหมือนกันเวลาเจ็บก็อยากไม่เจ็บใช่ไม้มอยากให้มันหายแต่มันอยากแล้วมันหายไหมไม่หายแต่ถ้าเราไม่อยากแล้วมันไม่ทุกข์ใช่ั้ย ถ้าอยากให้มันหายแล้วไม่หายมันทุกข์มันเจ็บสองชั้นรู้เปล่าเวลาเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บนี้มันเจ็บที่ร่างกายแต่ความทุกข์นี้เกิดที่ใจเจ็บสองชั้นาบางทีร่างกายไม่ทันเจ็บใจเจ็บไปก่อนก็ได้เชื่อไหมหมอบอกจะฉีดยาให้เนี่ยยังไม่ทันฉีดเลยใจเจ็บไปก่อนนะเพราะอะไรเพราะไม่อยากฉีด่ ไม่อยากเห็นเห็ไความอยากไหมความอยากไม่ให้ไม่ฉีดความอยากไม่เจ็บเพราะรู้ว่าเวลาฉีดมันเจ็บแต่เมืเวลามันเจ็บไปหยุดมันได้หรือเปล่าไม่ห้ามมันได้หรือเปล่าไปทำให้มันหายเองได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลามันก็หายเองไม่หายด้วยยาก็หายเพราะว่าโรคมันมันหมดฤทธิ์มันก็หายได้ เช่นโรกบางอย่างไม่สบายนี่เป็นไข้เนี่บางทีปล่อยมันเป็นไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายเองได้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าไม่มียากินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายของมันไปก็เคย ค, ความอยากไม่เจ็บอีกแล้วเราก็ต้องมาฝึกความอยากฝึกฝึกหยุดความอยากไม่เจ็บนี่ก็นั่งสมาธินี่แหะนั่งสมาธิแล้วก็ นั่งไปนานๆ น, นั่งให้มันเจ็บเวลาเจ็บก็อยากไปลุกพยายามอยู่กับความเจ็บไปพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวดมนไปแล้วความทุกข์ทางใจจะหยุดเหลือแต่ความเจ็บทางร่างกายที่ไม่รุนแรงที่อยู่กับมันได้ คามจริงใจเรานี้อยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เหมือนกับอยู่กับความแก่ได้เช่นเดียวกับความตายนความตายนี้ก็เหมือนกันทุกข์เพราะอยากไม่ตายกันทุกข์เพราะอยากจะอยู่กันพอรู้ว่าจะต้องตายก็ทุกข์กันยังไม่ทันตายเลยก็ทุกข์แล้วไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคร้ายแล้วเหลืออยู่ได้ไม่เกินสามเดือน ยังไม่ทันตายเลยทุกข์กับตัวไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรต่อไปอแต่ถ้าเรามาฝึกตายกันก่อนที่จะตายนี่หยุดความอยากไม่ตายได้ใจจะไม่ทุกข์กับความตายของเหล่านี้เราฝึกได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เราหยุดมันได้ ต้องมาหยุดด้วยการฝึกนั่งสมาธิกันเพราะเวลาเรานั่งสมาธิเวลาใจนิ่งใจสงบนีความอยากมันหายไปมันหายตั้งแต่เราเริ่มท่องพุทโธแล้วเวลานั่งหลับตาแล้วเราก็พุทโธพุทโธไปหรือถ้าไม่ชอบท่องพุทโธดูลมหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราคอยดูเราก็จะลืมเรื่องความตายไป ลืมเรื่องความเจ็บไปลืมเรื่องความแก่ไปมันก็จะไม่มันก็จะไม่เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายลืมความอยากไปแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่แหละคือคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ตัดสรู้ทุกตัดสรู้ต้นเหตุของทุก และตรดสรุ้วิธีทำให้ทุกข์หายไปถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้านี่พวกเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองไม่ใช่ความแก่ที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ความตายที่ทำให้เราทุกข์แต่ความอยากไม่แก่ต่ฮอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ แล้วถ้าเราไม่ทุกข์ไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้นเองหรือทุกข์ลึความอยากทุกรูปแบบอยากให้สามีดีอยากให้สามีไม่เที่ยวไม่ดื่มสุราเนี่ยแต่พอสามีไปเที่ยวไปดื่มสุราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราบอกว่ามันเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ชีวิตของเขาเราก็ได้แต่ขอร้อง มันขอร่างเราก็จบเขาจะเชื่อเราไม่เชื่อก็เหมือนกับร่างกายของเราเราก็ขอร่องมันอย่ากแก่ก็ขอมันแล้วแต่มันเชื่อเราไม่เชื่อเราก็ทำอะไรไม่ได้มันจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่ไปสามีก็เหมือนกันหรือภรรยาก็เหมือนกันถ้าเ็าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราไปอยากให้เขาไม่ทำเราก็จะทุกข์แต่เราพูดได้บอกได้ขอร้องได้ วิธีที่จะชนะใจคนก็ต้องพูดดีๆพูดอ่อนน้อมเนี่ยจะจะทำให้เขาเห็นใจเราแต่ถ้าไปพูดแบบบังคับเขาเนี่เขายิ่งต่อต้านใหญ่ยิ่งห้ามยิ่งยุใช่มแต่พูดขอร้องดีๆนี่เขาอาจจะสงสารเราก็ได้แล้วก็อาจจะได้สติว่าเราพูดด้วยความหวังดีก็ทำให้เขาอาจจะเชื่อเราก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากไปอยากพูดแล้วก็จบถ้าเขาเชื่อเขาทำตามก็ดีไปเขาเชื่อไม่ทำตามก็ก็อย่าไปคิดอะไรไเพราะมันมีอย่างอื่นที่เราขอให้เขาไม่เป็นเขาก็ไม่เป็นอยู่แล้วขอให้เขาไม่แก่เขาก็ต้องแก่ขอให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้เขาไม่ตายเขาก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นมาหยุดความอยากเหล่านี้เถอเนี่ย สามอย่างความอยากในลูกเสียงกลิ่นด้วยก็คือความอยากหาความสุขจากตาหูจมูกนินก้นกายอยากไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปฟังออะไรเหล่านี้หยุดมันเถิดเพราะถ้าไม่หยุดมันจะมันจะต้องทุกข์ในวันที่มันทําไม่ได้เวลาที่เราแก่นี้ทําไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเป็นโรคโรคเรื้อรัง ต้องไม่สบายตลอดเวลาบางคนถึงคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันทุกตลอดเวลาเพราะมันอยากไปเที่ยวอยากหายแล้วโลกมันก็ไม่ยอมหายไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็ไม่รู้อยู่ไปทําไมมันทุกมากทุกอย่างนั่งถึงคิดฆ่าตัวตายถ้าเราไม่อยากเที่ยวมันก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่อยากไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เจ็บเราก็จะไม่ทุกข์มันจะเจ็บก็ปล่อยม่เจ็บไปเที่ยวก็ไม่อยากเที่ยวอยู่บนเตียงนอนก็พุโทโธพุโทโธไปนอนสมาธิไปทาใจให้สงบไปกลับมีความสุขเลยไม่ต้องทำอะไรมีคนเลี้ยงดูอย่างดี <c oughs> มีคนหอาอาหารมาให้มีคนมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ทำอะไรทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรนอนกิน สบายคนนั้นคนที่ไม่มีความอยากแล้วจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนนี่อยู่ได้อยู่กับมันได้ตายก็ดีใจหมดภาระกันทันทีไม่ใช่เสียใจนะคนที่ไม่มีความอยากเ้าเนี้ยเขาไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเพียงแต่เห็นว่ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไป ก็อยู่แล้วก็ยังทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้คนที่เขารักแล้วก็ก็เห็นเราเขาก็ยังมีความสุขใช่หไหมลูกเจ้าพี่น้องอะไรก็อยู่มันไปอยู่เพื่อคนอื่นคนที่ไม่มีความอยากแล้วเขาไม่ได้อยู่เพื่อร่างกายเขาแล้วเขาอยู่เพื่อคนอื่นอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ไม่มีความอยากตั้งแต่อายุสามสิบห้าแล้วแต่ท่านก็อยู่ถึงแปดสิบแต่ท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่าน ท่านอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อสอนคนอื่นสอนธรรมะให้คนอื่นถ้าท่านไม่สอนจะมีใครรู้จะมีพระพุทธศาสนามาจนถึงวันนี้ได้ยงไหมแต่การอยู่แล้วไม่อยู่ของท่านนี้ท่านไม่มีปัญหาแล้วร่างกายของท่านนี้ท่านไม่ได้ไม่ได้เอาสายมันน่ะไม่ได้ใช้มันแล้วไม่ได้ใช้มันพาไปเที่ยวไม่ได้ ใช้ให้มันไปทําอะไรต่างๆที่เคยอยากทําท่านก็เลยไม่มีความเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นยังเป็นประโยชน์ท่านอยู่ด้วยเหตุผลไม่ได้อยู่ด้วยความอยากเหมือนพวกเราพวกเรานี่อยู่ด้วยความอยากแต่ท่านอยู่ด้วยเหตุผลแต่ ถ, ถ้าถึงเวลาที่ร่างกายมันไม่อยู่ท่านจะดีใจ ดีใจด้วยเหตุผลว่าออจะได้ไม่ต้องมาแบกมันแล้วร mm hmm. ่างกายนี้เป็นเหมือนออภาระที่เราแบกกันโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจเราแบกภาระของร่างกายนี้ต้องเลี้ยงดูมันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็ต้องพามันเข้าห้องน้ำแล้วนะอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรให้มันกินแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเสร็แล้วเสื้อผ้าที่ใส่ก็ต้องไปซักให้มันนีก บ้านที่อยู่ให้มันอยู่ก็ต้องต้องกวาดให้มันเองเป็นภาระทั้งนั้นแล้วก็ต้องออกไปหาหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูมันเีกหาเงินเพื่อที่จะไปซื้อข้าวซื้อเสื้อผ้าซื้อยาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วก็ไม่ต้องทำงานเหล่งนี้ เราไม่รู้เรากิดว่าเราเป็นร่างกายเราถึงไม่อยากให้มันตายถ้าเรารู้ว่าเราไม่เป็นร่างกายถ้าเรารู้ว่าร่างกายเป็นเพียงคนใช้นี่เรายังอยากจะเลี่ยงมันไหมเ <c oughs> นี่ยทุกวันนี้เราเลี่ยงคนใช้เรารู้เปล่าคนรับใช้เราเลยร่างกายนี่เหมือนเป็นเหมือนคนรับใช้เราที่เราใช้มันพาเราไปเที่ยวเท่า น, นั้นเองพาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกาย นี่แหละมันเป็นคนรับใช้เรามันดีตรงนี้สำหรับเราแต่ถ้าเราเลิกเที่ยวได้แล้วมันก็ไม่มีความหมายกับเราเสแล้วอแต่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่ามันเป็นมันเป็นเราเราเป็นเจ้านายมันเราเป็นคนสั่งมันเนี่ยวันนี้มาที่นี่ได้ใครเป็นคนสั่งร่างกายสั่งหรือใจสั่งอ่านะ่ะ แต่เรา ค, คนที่ไม่รู้ใจเขาคิดว่าใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันเนี่ยเขาคิดว่าใจคือสมองฝรั่งสัตว์พวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษากันเนี่ยเขาคิดว่าสมองเป็นผู้สั่งสั่งเป็นผู้คิดแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านตัดสั้นท่านนั่งสมาธิแล้วท่านสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ท่านรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกัน แล้วเราสามารถพิสูจน์ได้หลายอย่างด้วยกันว่าทำไมถึงเป็นคนละคนกันเพราะว่าร่างกายนี้มันมาจากที่เดียวกันคือจากพ่อแม่คนเดียวกันใช่ไเวลาข้อเออกมาหน้าตามันเหมือนกันแต่ทำไมนิสัยมันไม่เหมือนกันการกระทำอะไรต่างๆไม่เหมือนกันคนที่ทาคนที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างนี้มันมันมาจากคนละที่กันไม่ได้มาจากพ่อแม่ ใจที่ได้มามาครอบครองร่างกายนี้มาจากชาติก่อนสมมติชาตินี้เราตายไปเนี่ยเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เราก็ไปได้พ่อแม่คนใหม่พี่น้องคนใหม่พี่น้องเราก็ไปจากที่อื่นเหมือนกันไม่ได้มาจากพ่อแม่แต่นหน้าตาจะเหมือนกันแต่นิสัยใจคอไม่เหมือนกันคนนึงชอบดื่มเหล้าคนหนึ่งชอบเข้าวัดคนชอบเล่นการพ น, นัน ไม่เหมือนกันเพราะคนคนที่ใช้ให้น่างกายชอบอะไรต่างๆนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่คนเดียวกันพร <Yeah. S 1> ะเจ้าถึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิด <Yeah. S 1> กรรมก็คือการกระทำต่างๆที่เราทำอยู่นี่ทำแล้วมันติดเป็นนิสยัยเป็นสันดานไป <Yeah. S 1> ทำไมเราถึงชอบใช้มือขวาอีกคนทาไมถึงชอบใช้มือซ้ายเพราะมันเคยใช้มือขวามันก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆ ไอคนที่ใช้มือซ้ายมันก็จะใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆไอคนที่ชอบกินกินเหล้ามันก็จะกินเหล้าไปเรื่อย <c oughs> ๆคนที่ชอบกินกาแฟมันก็จะกินกาแฟคนที่ชอบสีแดงมันก็จะเอาสีแดงคนที่ชอบสีเขียวมันก็จะเอาแต่สีเขียวเนี่ยความชอบความชังของเราเนี่ยมันเป็นนิสัยที่เราปลูกฝังมาทากันมาจนติดเป็นนิสัย <c oughs> เป็นสันดาห์ พอเราได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ชอบเหมือนเดิมเกลียดเหมือนเดิมอทําไมพี่น้องทุกคนถ้ามาจากพ่อแม่คนเดียวคนเดียวกันมันก็ต้องชอบเหมือนกันหมดใช่ไหมถ้าถ้าไม่ถ้ า, ถ, าถ้ามาจากที่เดียวกันแต่นั้นเป็นมาจากที่ร่างกายที่ร่างร่างกายเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันเหมือนกันฝาแฝดเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่นิสยนัยไม่เหมือนกัน เพราะว่าใจที่มาได้ร่างกายนี้มาจากคนละที่กันอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้ฝาแฝดเดี๋ยวมาเกิดมาอยู่ด้วยกันแนละ้วมาทะเลาะกันมาตีกันก็ได้ถ้าถ้าเกิดเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนนี่ก็เป็นพิธีพิสูจน์อย่างหนึ่งให้รู้ว่ า, าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายถ้ามันเป็นร่างกายมันก็ต้องเหมือนผลไม้ใช่ไหม เวลามันออกออกผลไม้แบบะมะม่วงนี่ออกมาทุกลูกเหมือนกันหมดเลยใช่ไรสเหมือนกันหมดอะไรเหมือนกันหมดแต่ทำไมคนมันไม่เหมือนกันคนบางคนเป็นมะม่วงบางคนเป็นมะพร้าวบางคนเป็นมะละกอก็เพราะใจนี่แหละกรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเป็นอะไรต่างๆเป็นคนดีเป็นคนชั่ว<อ>ก็อยู่ที่ใจนี้แหละ าชาติก่อนเคยทำบุญรักษาศีลมาชาตินี้มาก็จะติดมาก็จะชอบทำบุญรักษาศีลถ้าชอบชาติก่อนชอบเที่ยวชอบอชอบเล่นการพนันชอบดื่มสุราชาตินี้มาก็จะทำเหมือนเดิมเนี่ยลูกของเราชาติก่อนอาจจะเคยบวชมาแล้วก็ได้ถึงอยากจะบวชอยากไม่สึกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะพระเจ้าถึงเวลาท่าก็บวช พออยากให้เป็นมหาจักรพรรดิก็ไม่เป็นนหละคือกรรมเ้าเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทากรรมนี้เป็นคำกลางๆไม่ใช่บาปนะแต่บางทีภาษาไทยเราใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปบุญกรรมอย่างนี้แต่คําจริงกรรมนี้เป็นการกระทาทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะทางใจความคิดต่างๆของเราเนี่ยความชอบความชังเนี่ยเป็นกรรม เป็นการกระทำทางใจแล้วมันก็จะทําให้เรามาเป็นอะไรต่างๆเป็นพระเป็นโจรก็เพราะความชอบนี่แหละโจรชอบต้นชอบจี้ชอบลักขโมยชอบทำร้ายผู้อื่นพระก็ไม่ชอบทำอย่างนี้พระชอบรักษาศีลเพราะชาติก่อนเคยชอบอะไรไมาอย่างี้ก่อนที่พระเจ้าเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเวชสันดรมาก่อน เป็นพระเวชสันดรก็ชอบทาบุญทำทานรักษาศีลชอบภาวนา <c oughs> พอมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เดี๋ยวก็ออกบวชได้เจ้าชายพ่อของพทธเจ้าอย่างยังแปลกใจเลยวันที่พู้เจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วแล้วก็ทางวังในวังนิมนต์ให้ไ ป, ปโปรดพระเจ้าก็ไป ช่วงที่เข้าวางังท่านก็บินตบาดไปเลยเดินบินตบาดไปเลยแล้วพระเจ้าชายอพ่อของพระเจ้าก็ถามว่ามาถึงไม่ยังเออพวกลูกน้องก็บอกว่ากําลังขอทานอยู่พอมาถึงก็เลยก็เลยบ่นให้พุฒเจ้าฟังว่าทําไมท่านทําอย่างนี้เราเป็นกษัตริย์เราไม่ใช่เป็นคนขอทาน้พระเจ้าบอกว่าโคตรของเราเขาทำงี้มาตั้งแต่นั่งเดิม จะใชาพ่อของพระเจ้าก็ น, นึกไปพ่อของกูก็ไม่เคยเป็นขอทานแล้วทำ่ำไมโค้ดของมึงที่มาเป็นขอทานอพระเจ้าบอกชาติก่อนๆเคยเป็นพระมาเออคยขอทานมาตลอดนี่แหละโค้ดของพระเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโค้ดของพระก็คือบินทบาทเนี่ยแหละคือเรื่องใจไม่ใช่นี่ท่านพูดนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องร่างกายเลยท่านพูดแต่เรื่องใจ การกระทาต่างๆนี้ทำที่ใจร่างกายนี้เป็นเพียงลูกน้องเป็นผู้ที่รับคำสั่งไปเท่านั้นเองท่านยังบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กมเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันเป็นโคดเนี่ยเป็นพระหรือเป็นโจรเนี่ยมันก็กรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรามาเป็นกันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะอะไรเพราะกร การกระทําของเราเนี่ยทําให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์กับเราจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วไม่มีใครมาลบล้างมันได้มันเป็นกฎสากลเป็นกฎของธรรมชาติทําแล้วมันจะต้องส่งผลทําแล้วมันก็จะทําให้เราเป็นไปตามที่เราทำแล้ว เราควรจะมีความภูมิใจดีใจนะที่เราได้มาพบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันจะทำให้เราเข้า อ, อกเข้าใจเรื่องชีวิตของเรานะแล้วจะทำให้เราแก้ปัญหาของเราได้อย่างราบคาบนะปัญหาของพวกเราตอนนี้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนะนะเราก็มาแก้หยุดความอยากนี้ด้วยการมานั่งสมาธิกัน มาบวชกันเนี่ยที่ให้บวชก็จะได้มีเวลานั่งได้เยอะไงถ้าไม่บวชนี่มันนั่งได้วันละกี่ชั่วโมงเชา้าก็ตื่นช้ามาก็ต้องไปทํางานกว่าจะกลับมาถึงบ้านอาบน้ำถ้ากินข้าวก็ต้องดูทีวีดูละครนะก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิอันเวลาที่จะมาหยุดความอยากนี้มันมีน้อยมากแต่ถ้ามาบวชนี่มันมีทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่มีอะไรให้ทําตามความอยากด้วย ที่วัดไม่มีทีวีให้ดูไม่มีตู้เย็นไม่มีขนมนมเนยให้กินตามอยากกินได้ตามเวลากินเพื่อร่างกายกินได้อยู่แต่ไม่ให้กินตามความอยากอย่างนรเนี่ยหลังจากที่ยงวันก็ไม่ให้กินแล้ะถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังกินได้กินเพื่อกินตามความอยากกินยังกระทั่งพองขึ้นมาเห็นไหมกลายเป็นตุ่มขึ้นมาความอยากมันทําให้ร่างกายเป็นตุ่มรู้ปา แล้วนักวิทยาศาสตร์มันก็ไปค้นคว้าว่าเป็นนู่นเป็นนี่มันที่ความอยากกินนี่แหละถ้าคนไม่อยากกินมันจะอ้วนได้ยังไงที่มันอ้วนเพราะมันอยากกินมันก็เลยอ้วนแต่ถ้ามันกินด้วยไม่อยากนี่มันจะไม่อ้วนกินด้วยความจําเป็นกินเพื่อดับความหิวเท่านั้นเวลาหนเดียวมันหิวหนเดียวร่างกายพอได้ได้ให้มันกินหายหิวแล้วมันก็จะไม่หิวไป จนอีกวันหนึง่งพวกเรามาหยุดความอยากกันเถิดแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์ทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายไม่ต้องทุกข์กับการพลาดจากกันไม่ต้องทุกข์กับการที่เราไม่ได้ทําอะไรตามความอยากเพราะเราไม่มีความอยากเราก็เลยไม่ทุกข์กันแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกด้วยะ พอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมามีร่างกายต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายมาแบกไม่ต้องมาเลี้ยงคนใช้ต้องมาเหนื่อยกับคนใช้มาเลี้ยงดูมันทํางานหางเงินหาทองมาเพื่อเลี้ยงคนใช้เราตัวเราไม่ค่อยเลี้ยงดูเท่าไหร่ตัวเรานี่มีแต่ถูกทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องใช้เจ้านายก็คือใครก็คือความอยาก ความอยากนี่คือเจ้านายเรารู้ปะ่ะเดี๋ยวมันก็ใช้ให้เราไปเอาบุหรี่มาสูบใช้ให้เราไปเอากาแฟมาดื่มใช้ให้เราไปเปิดทีวีดูใช้ให้เราไปเอาขนมมากินมันใชใ้เราอยู่ตลอดเวลาส่วนนุกน้องเราเราก็ต้องคอยเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาคอยดูแลมันตลอดเวลาตัวเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเราเลยเอาเจ้าสาวมาให้เรามาดูแลตัวเราดีกว่าอย่าไปดูแลเจ้านายอย่าไปดูแลคนใช้เลย การมาบวชนี trend, case, ่แหละคือการมาดูแลตัวเราดูแลตัวเราด้วยการกำจัดความอยากเพราะความอยากมันทำให้เราหิวพอเราตัดความอยากไปได้แล้วมันจะอิ่มมันจะอิ่มโดยที่ไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรนี่คือธรรมชาติของใจมันหิวเพราะทําตามความอยากมันอิ่มเพราะไม่ทําตามความอยากมันอิ่มเพราะนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ให้คิดถึงความอยากแล้วมันจะไม่หิว แล้วมันจะสุกไปตลอดไม่ต้องกลับมามีไม่ต้องมารับใช้คนรับใช้ไม่ต้องมารับใช้เจ้านายเจ้านายก็ถูกกำจัดไปหมดเมื่อเจ้านายถูกกำจัดก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีคนรับใช้เพราะคนรับใช้มีไว้ก็เพื่อรับใช้เจ้านายเทียเจ้านายสั่งให้ไปเที่ยวสั่งให้ไปกินไปดื่มก็ต้องมีคนใช้ไปทำหน้าที่นี้เมื่อเรากำจัดมันได้หมดเราก็สบายพระพุทธเจ้านี้ ท่านสบายท่านไม่ได้หายไปไหนนะท่านยังอยู่เหมือนพวกเราเนี่แหละต่างที่ว่าท่านอยู่แบบคนอิสระไม่ต้องมารับใช้เจ้านายไม่ต้องมาเลี้ยงคนรับใช้ใจไม่มีวันตายใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายของของพระพุทธเจ้าใจของพวกเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพวกเราเป็นแต่ว่าใจของเรายังเป็นทาตอยู่ยังเป็นทาตของความอยากอยู่ ความอยากมันเลยใช้ใเราไปหาร่างกายมารับใช้ความอยากเราก็เลยต้องไปหาร่างกายมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวตายไปชาตินี้เดี๋ยวก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่อีกเหมือนกับชาติก่อนที่ตายไปแล้วก็มาหาร่างกายอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยช้พบกับคําสอนพบกับพระสงฆ์สาวกที่จะสอนบอกให้เรารู้จัก วิธีหยุดความอยากกันสอนเราให้รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากนี้เท่านั้นอยู่ที่ความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตันหาและความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัหาอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย อยากไม่ให้สามีลูกเจ็บตายใช่ไหมพออยากแล้วก็ทุกข์ท่านมีสอนให้เรามามาหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยยอมให้ยอมรับความจริงว่าทําอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามแก่ไม่ได้ห้ามเจ็บไม่ได้ห้ามตายไม่ได้ห้ามไม่คนอื่นเขาทําอะไรตามที่เราอยากให้เขาทาไม่ได้หรอกเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ต้องทําไปตามความอยากของเขาะ ถ้าเรามาหยุดความอยากเหล่านี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับใครไม่ทุกข์กับอะไรเราจะอยู่ไปอย่างสุขอย่างสบายตายไปก็ไม่ต้องมีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ใจไม่มีวันตายมีอยู่เพียงแต่ ว, ว่ายังมียังเป็นธาตุอยูไม่เป็นธาตุท่านนี่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ ส, งสาวกนี้ท่านท่านปลดเปลื้องความเป็นธาตของท่านได้แล้วท่านเป็นอิสระ ไม่มีเจ้านายมาสั่งการให้ไปเกิดให้ไปหาร่างกายให้ไปหาสิ่งต่างๆมามามาให้ความสุขท่านมีความสุขจากการที่ไม่มีเจ้านายสุขยู่สุขที่เกิดจากความสงบเรียกว่าพานิพานใจที่สงบใจที่ไม่มีเจ้านายเรียกว่าใจานิพานใจหลุดพ้น ไม่ได้นิาพานไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสภาพของใจของใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่บรลมัสุขนิบานังบรลมังสุขขังนิาพานเป็นความสุขอย่างยิ่งใจที่เป็นนิาพานนี้มีความสุขอย่างยิ่งพูดคือความหมายมันเป็นอย่างนี้งั้นเรามาทาใจของเราให้มีความสุขด้วยการหยุดความอยากเ จะหยุดมันได้ก็ต้องมาบวชกันน อ, อ่หยุดด้วยการนั่งสมาธิด้วยการไม่ทำตามความอยากให้สอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าทำตามความอยากแต่ความอยากที่ดีทำได้เช่นอยากจะนั่งสมาธิทำได้เดี๋ยวจะมาอ้างเร อ, อย่างเงี้ยอยากจะนั่งสมาธิก็ทำไม่ได้ซวยก็เสียกิเลสหนึ่งความอยากเหมือน ความอยากที่ดีทําได้ตามอยากไม่ดีอย่าไปทําตามอยากไม่ดีมีสามตัวอยากเที่ยวอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สามตัวนี้เท่านั้นที่เราอยากไปอยากแต่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะทําบุญอยากบวชนี่เป็นความอยากที่ดีทําไปเลยเถ้าไม่มีความอยากอันนี้มันก็จะไม่ได้ทําเลยเอาแล้วเนี่ยชานี้เป็นชาติที่วิเศษนะ นานจะได้เจอพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งนะอับมาชาติหน้าจะไม่ได้เจออีกก็ได้ถ้าไม่เจอก็จะไม่มีใครมาบอกความจริงเหล่านี้ให้พวกเราได้ยินกันพวกเราก็จะไหลไปกับความอยากกันทำตามความอยากต่อไปพยายามทำเชื้อแต่ชาตินี้ถึงแม้ว่าจะไม่ยังไม่เป็นอิสระเต็มร้อยขอให้มันมีเชื้อติดไปแล้วชาติต่อๆไปมันจะรู้ในใจของมันเองว่า การทำตามความอยากนี้ไม่ดีแล้วมันก็จะพยายามฝืนพยายามหาวิธีต่อสู้ชาตินี้อาจจะทำสมาธิไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มร้อยแต่รู้แล้วว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากต่อไปทุกพบทุกชาติที่เรามาเกิดเราก็จะมาสู้กับความอยากนี้แล้วต่อไปมันก็จะหมดเองเอาแล้วนะที่ว่าพอสมควร แก่เวลาจะอนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวะเิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังก้า จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีฤิธะนิจจังวุธาปะจายิโน ะยะตาโรธรรมวญญาทานติอายุวโนสุขัง่าลังคือเขาไม่ได้มีบุญไงเขาเลยไม่เป็นไม่ไมีที่ไปเกิดเราต้องไปใช้กรรมก่อนพวก<ม>เปรต น, นี่เขาไปทำบาปแล้วไม่มีบุญนะครับ เขากำลังต้องใช้บาปก่อนเดี๋ยวพอบาปก็หมดเขาก็ไปเกิดต่ออไปหาร่างกายต่อแต่นั้นต้องไปใช้บาปก่อนพวกที่มีบุญก็ไปเป็นเทวดาก่อนอไปเที่ยวไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนพอบุญหมดก็ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหน่อยยังยังตัดความยากไม่ได้ยังอากอ่ายังยังตัดความอยากไม่ได้ยังอยากอยู่ เรา็ช้จับก่อนมันเป็นมันเป็นเปรตมันไม่สบายหรอกมันหิวโหยมันหิวอยู่ตลอดแวลายี่บสี่ชั่วโมงแต่ไม่มีอะไรให้มันกินมันถึงน่ามาขอส่วนบุญจากพวกเราเนี่ยให้ทำบุญสายบาทส่งแย้มกินบ้างหรือถ้าไปตกนรกก็เหมือนกับอยู่ในกองไฟใจมันร้อนมันตลอดเวลาเวลาที่เราโกรธเกลียดใครนี่มันร้อนไม นอนหลับไหอกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละคือนรกเป็นน่ยนรกตัวอย่างตอนนี้เรายังไม่ตายเหมือนเราไปเราไปตกนรกตัวอย่างเวลาตายไปเนี่ยมันจะไปตกจริงมันจะมันจะร้อนไปนานเป็นปีๆถ้าใจมีความสุขอย่างวันนี้มันทาบุญมีความสุขเนี่ยก็เวลาตายไปก็จะนี่ไปเป็นเทวดาลามีความสุขเนี้ ไม่หมดความอยากก็ต้องกลับมาเกิดใช่ก็ต้องมาเนี่ยเมร่อวาอาจารย์เทศเรื่องว่าถ้ามีข้มูลชาบ้านให้เตรียปืนไยิงขาได้แต่ไมให้าตาถ้าเรายิงขานนี่ข้อไหนไม่ผิหรอกก็ก็รักษาได้นี่ใช่ไหมไม่ผินข้อหนง่อยฆ่าไม่ใช่ห้ามฆ่าสัตว์ไม่ใช่ อ่าก็เสียชีวิตก็ฆ่าเลยถ้ายังไม่เสียก็ยังไม่ได้ฆ่าเลย แ, นนแต่ก็ไม่ร้ายแรงเพราะไม่มีเจตนาจะฆ่า โ, <อ>โทษก็ไม่ร้ายแรง<อ>ไม่เหมือนกับมีเจตนาตั้งใจอยากให้เขาตายอันนี้โทษนี้ร้ายแรงกว่าแล้วอย่างถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอหรือคนที่เราไม่อยากจะเจอถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็พยายาม อยู่ให้ได้โดยใช้สีสมาธิปัญญานี่คือทางแก้ใช่ไหมอ่ก็อยู่เฉยๆไงหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาตกให้เขาตีไปเขดาด่าเขาว่าไปให้เขาฆ่าไป <c oughs> ถ้าป้องกันไม่ไ ด, ได้ก็ป้องกันได้ก็ป้องกันไปมีไม้ก็ตีขามันตีแขนมันแต่บางทีถ้าไม่อยากจะอยากจะให้มันหมดเวรหมดกรรมก็ปล่อยมันฆ่าเราไปเลยหมดเได้มาอาฆาตไปอ่าใช่อ่ถ้าเราตีมันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ ถ้าจับเป็นข้าคุกเดี๋ยวมันก็ออกจากคุกมันก็จะตามมาใหม่อย่นี้กล้า่ายมันทําไปเลยอย่างพระมุกกรานะนท่านก็ยอมตายท่านก็สามารถใช้อธีริตรป้องกันตัวเองได้แต่ท่านก็ไม่ใช้่นะบอกเดี๋ยวป้องกนันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ตามดังที่มันยังอยากจะฆ่าเราอยู่มันก็ยังอยากจะฆ่าเราอยู่นั่นตามอย่างนั้นจะมันจะหายก็ต่อเมื่อมันได้ฆ่าเราแล้วแล้วถ้ามีความคิดว่า ยังอยากจะอยู่อีกสักหน่อยเพราะว่ายังยังอยากจะปฏิบัติแบบนี้มันเป็นกิเลสไหมคะไม่เต้นหราก็อยากปฏิบัติก็เป็นธรรมเองแต่ว่าอยากไปอยากไปอยากอยู่เพราะว่ามันอยู่ไม่มันอยู่ไม่ได้มันจะมันก็จะเป็นกิเลสต้องดูว่ามันมันอยู่อยู่ได้หรือไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปองมันจะได้บรรลุเลยเนี่ยเข้าใจไหมคืออยาอยากให้ทุกข์ค่ะอ่าอย่าอยากให้ทุกข์อยากอยู่เพื่อปฏิบัติทําได้อยู่แต่เมื่อมันอยู่ไม่ได้ก็อย่าไปอยาก อยากแล้วมันจะทุกข์ก็ปองมันเลยมันจะได้เป็นสดาบันได้มันจะได้บรรลุคือยอมตายไม่หยุดความอยากอยากอยู่อยากไม่ตายเสียอันนี้เข้ามาเท่าไหร่รายงานตัวหน่อยบวกหนึ่งบวก้ยี่สิบห้าค่ะ325ยี่บห้าบกหนึ่ง มีใครอยากจะถามางลังคาไหมอย่างนี้ที่เสนอ ท, ที่พ่อพูดเมื่อกี้ก็จะเป็นกรรมเก่าที่มาให้ผลในปัจจุบันชาติใช่ไมนี่เป็นเจกรรมในเวรก็สา ม, มารถจะเกิดใน ครอบครัวแล้วเช่เป็นพ่อเป็นแม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยท้งเป็นพ่ออาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกับเรามาก็ได้พอลูกบางคนก็ไม่ถูกกันเพราะกรรมเก่าที่ไปทาเขาไว้เราก็ต้องต้องชดใช้กรรมที่บากรรมหมดเลยครับอรยัดอาฆาตท่านปอ่อยวางยอม่ายอมครับยอมใช้กรรมจเมื่อท่านได้ทาตามที่ท่านอยากแล้วท่านก็จะหายก็คือหมายถึงว่าถ้าผมเจอเค้นในสมัยนี้คือ อย่างนี้เราก็ต้องปล่อยวางไปทำมันใช่ไหมนะธรรมะปล่อยเพอาะอดีตชาติเราเคยไปทําเขาไวเยอะใช่เขาก็เลยมาทําเราตั้งแต่เล็กจนโตแต่ก็มองว่ามันเป็นกรรมวิบัตกรรมเก่าต้ทดใช้ไปให้หจนกว่ามันจะหมดแต่ผมเมื่อก่อนที่ผมไม่เคยเข้าธรรมะเลยผมก็เลยไม่รู้ทางนี้ก็เลยอาฆาตแล้วก็หลายๆอย่างคือคิดไม่ดีกับ่านุอะไรเงี้ยพอว่าเข้าธรรมะเนี่ยมันก็เริ่มปล่อยวางได้เริ่มให้ใอภัยได้แบบนี้พ่อเคยเทศว่า เราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพับท่านใช่เอาเป็นลูกเราก็ต้องปล่อยวางตามตามสิทธิของท่านเราพับท่านไม่ได้อยู่แล้วต้องปล่อยวางพระแต่มันเหลืออาฆาตอยู่แต่ตอนนี้ปล่อยหมดแล้วก็คือเพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าที่ผูกพันมาในอดีตชาติเนี่ยปล่อยแล้วมันสบายไหมล่ะซึ่งจะปล่อยแล้วโลกกนสบายคือเราเคาะหสิกรรมกับเขาแล้วก็คือถ้าอดีตชาติไปทำครอบครัวเขาแตกแยกแล้ว ท่านี้มันเจอกันก็ขอโหติกรรมเข้าโหติกรรมแล้วก็เลยถามเพื่อความมั่นใจผมว่าผมตัแต่มันเป็นมานาเป็นสาสิบต่อสามสิบต่อปีคือไม่เคยหาทางออกได้เลยคืเข้าธรรมะทางนี้ได้ฟังหลวของตาท่านแล้วก็หลายๆองค์แล้วก็หลวงพ่อด้วยมันก็เหมือนหาทางออกในชีวิตได้อืเป็นทางที่ถูกต้องในสัมมาทิฏฐิเลยถามตรงๆครับคือใช่เนาะก็ดูที่ผลที่เกิดจากที่ตัวเราเนี่ยสันทิฏฐิโกเนี่ย มันเราไม่ต้องไปถามใครหรอกถามตัวเราเองว่าใช่ไม่ใช่เออใช่คือคือคือเป็นคือตอนนั้นผมไม่รู้ไงครับไม่มีธรรมะใช่ตอนนี้ตอนนี้รู้แล้วไม่ใช่ใช่เราไปถามอีกทีย้ําว่ามันใช่จริงมันไม่ต้องมาใช่มันถามมันอันนี้ไม่ต้องถามใครแล้วเออคนที่พ้นทุกข์แล้วเขาไม่ต้องไปถามใครแล้วเขารู้แล้วว่าเขาพ้นเออมไม่ถึงปีนะคือมัน ฟังหลงตาหลยแหละผมพูดนะ อ, อผมติดหลงตามากแล้วก็หลวงพ่อได้ชี้ทางอะไรบางอย่างที่ปล่อยวาาม า, กกาจากานเพจแล้วก็ออกอัดยูทูบอัดเป็นเอ็ีามก<า>็ก็ปล่อยไน้เลถูกต้องไหเงิเราต้อ ง, งระงับเวย่อมนะรับด้วยการไม่จองเวเวไม่ระงับด้วยการจองเวเนี่ยคาพูดของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ได้ทาง น, นี้ผมอาจจิดปิดทุกขาด ใช่อาจจะเป็นเว้นเป็นกรคำต่อยเดี๋ยวไปพบหน้าชาติหน้าก็อาจจะสลับกันเราไปเป็นพ่อเขาเป็นลูกเราเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าเรากองมันจะตัดมัดผมนิพพานมันก็จะไม่จบเราก็จะตกมานกนั่นแหลเร่างไปก็เหมือนพระเทวทัพที่ตกไปลึกผมว่าตรงเทวทัพเขายอมเขาโอโหสิเงี้ยเขาขอเข้ามาเราสำนึกผิดเขาจะไม่ทําอีกต่อไปแต่เรามีเศษกรรมที่อนิจจกรรมเขตกตงใช่ก็ยังต้องไปใช้กรรมกับแล้วถ้าเทวทัพนี่อยู่ในโลกลึกๆเนี่ย ตอนที่ขึ้นมาเนี่ยผมฝาดจากหลวงพอหลายๆองค์จะขึ้นมาเป็นชั้นๆใช่ไหว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือ ว, ว่ามีความดีมาขึ้นมีชาแล้วเรื่องก็ไม่เป็นไรมันจะชั้นไม่ชั้นก็ในที่สุดมันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เวลาขึ้นลิฟต์มันก็ต้องผ่านเป็นชั้นๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ต้องจอดทุกชั้นก็ได้ใช่หไหมมันก็พรวดขึ้นไปเลยบางทีมันอาจจะแวะก็ได้บางทีมันจะไม่แวะก็ได้แล้วแต่คนที่ใช้ลิฟต์ด้วยกันบางคน เขาจะลงชั้นอื่นเขาว่าลงหยุดตรงชั้นนั้นก่อนแต่ไม่แต่โดยหลักก็คือพอมันหมดกรรมมันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาบำเพ็ญเพียรได้เพราะว่าบุญเก่ายังมีอยู่เยอะบุญที่ได้มาบวชต้องยี่สิกว่าปีมีสมาธิอยู่แล้วก็จะมาต่อมาทำต่อแล้วก็จะได้ไปบรรลุเป็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าต่อไปแต่ขอบคุณมากเลครับพี่ชี อ, าอ่ า, อาบุญกับบาป ท, ที่ราทางนี้มันไม่หมดเพียงแต่ว่ามันตัวไหนออกผลก่อนถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะออกผลก่อนพอตัวที่มี ก, มา ก, กําออก ล, ล, กลังน้อยกว่ามันออกผลไปแล้วบุญที่มีกําลังน้อยกว่ามันนี่แล้วมีกำมันจะมีกําลังแล้วมันก็จะออกผลของมันต่อไปครับ แ, แล้วถ้าอย่างนี้ผรับอย่างอย่างเช่นพภาอาหารเนี้ยถุงสำเร็จเป็นภาอาหารนะแต่มีบุญเก่ากรรมเก่าตามมาตามไม่ทันใช่ไหมก็ไม่มาเกิดไงตามไม่ทันแล้วสุดท อตัดไปแล้วไม่ไม่มีความอยากจะนออมันอยู่เหนือกรรมแล้กรรมไม่มีกําลังที่จะมาดึงจิตให้ไปไปไปใช้กรรมได้กรรมไม่มีกําลังที่จะดึงจิตไปนรกไปสวรรค์ไปเป็นมนุษย์เพราะกำลังของสติปัญญามีกําลังมากกว่าออีกถามนี้แล้วในเมืองนรกนี่คือไม่เป็นใค่เมืองหรอกมันความรู้สึกในใจเราเนี่ย ใจร้อนในใจเป็นนรกใจเย็นไปใจเป็นสวรรค์ใจอยู่ที่ใจใจไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดนรกสวรรค์ไม่มีไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างเป็นความรู้สึกนึกคิดของใจเองเวลาเราอยากจะดูตัวอย่างของนรกสวรรค์ก็ดูตอนที่นอน น, อนเนี่ยเวลานอนนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายทําอะไรใช่ไหมแต่ใจเรายังฝันได้ใช่ไหม ฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นไปมีความสุขที่นั่นที่นี่เอตอนนั้นเยกำลังไปกําลังเที่ยวอยู่ในสวรรค์หรือถ้าฝันร้ายฝันว่าไปเจอปัญหาต่างๆเจอเจ้ากรรมนายเวรเจอคู่อริต่อสู้กันมีปัญหากัน่ตอนนั้นก็ไปไปอบายไปนรกใจนี่เป็นโรงละครใจนี่แหละเป็นตัวสร้างละครให้ใจดูเองเวลาเรานอนหลับเนี่เรา ใจเป็นกำลังสร้างละครเราดูกันดูหนังเวลานอนหลับแล้วก็ดูหนังกันรู้เปล่หนังดีหรือหนังไม่ดีแล้วใครเป็นคนทําให้สร้างหนังดีสร้างหนังไม่ดีก็บุญกับบาปนี่ถ้าทําบุญมันก็จะสร้างหนังดีพระเุทธเจ้าบอกคนที่ทําบุญนี่นอนหลับจะไม่ฝันร้ายแต่คนที่ฝัน ร, านร้ายเนี่แสดงว่าเป็นคนทําบาป เนี่ยไวมากถ้าทาบาปมันก็เข้าไปเลยเหมือนคอพิเตอร์มาที่หลงตานอชไหมมันสะสมไวมันมันเหมือนเครื่องวีดีโอเนี่ยมันอัดไวไงแล้วพอตอนเวลาเรานอนมันก็มาฉายเราดูรอบนีตอนหลัตายตอนยังไม่ตายก็ฉายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนมันก็ฉายใชอเคนั่อตอนนั้นตร็ตอนตอนสิ้นลมแล้วบุญกับบาปมันก็ลากไปอ่มันก็จะฉายยาวเลยฉายได้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นแบบดูหนังตัวอย่าง ถ้าเราฝันดีบ่อยๆรู้วาตายไปในไปสวรรค์นเนี่ยถ้าเราฝันร้ายบ่อยๆเนี่ยตายไปไปไ ป, ไปอบายเนี่ยไปสวรรค์มันมีนมีสี่อเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมันก็อยู่แบบมีภัยรอบด้านนเียมันต้องคอยละมั่นละมังคอยแก่งแย่งกันคอยกัดคอยกินกันถ้าเป็นเป็ดมันก็เป็นแบบขอทานหิวโหยไม่มีไม่มีข้าวกินต้องไปขอทาน ขอจากคนอื่นเขาไปตามวัดตามวาที่เขากําลัง <c oughs> ทําบุญกันนี้นที่หลวงตาพาให้เปิดโลกกระท่านี้ก็ให้มาทําบุญให้กับพวกเปรเนี่ยแต่แต่รับได้ไม่หมดใช่ไหมเดี๋ยวรับไปทั้งหมดเลยก็มีแต่พวกขอทานที่มารับเท่านั้น่ะพวกที่เป็นเศรษฐีก็ไม่ก็ไม่มารับหรอกพวกเทวดาทั้งหลายก็เป็นเศรษฐีบุญก็ามาช่วยอนุโมทนาน <c oughs> นะก้าใจนะดาานีทํได้ได้เพียงอย่างเดียวคือฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ถ้ามีคนสอนอย่างพระพุทธจเจ้าเนี่ยไปสอนพุทธมารดาสอนธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆ ก, กับการฟังธรรมไปเพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันใช้จิตเป็นตัวกระทําสอนให้หยุดความอยากเนี่ยความอยากมันอยู่ในจิตน พอสอนให้พุทธมารดาหยุดความอยากไม่แก่หยุดไม่เจ็บไม่หยุดไม่ตายได้พุทธมารดาก็เป็นพระโสดาบันขึ้นมาแต่ต้องมีคนสอนเทวดาจึงชอบไปฟังธรรมกับพระอริยเจ้าหรือกับพระพุทธเจ้าแต่พระอริยเจ้ากับพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ทุกองค์ที่จะติดต่อกับเทวดาได้บางองค์ท่านไม่มีความสามารถพิเศษอย่างหลวงปู่ม่านนี่ท่านมี หลวงตาท่งเขียนในประวัติเนี่ยทุกคืนจะมีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมกับหลวงปู่มัน่นอย่างนีน้อันนี้เป็นความสามารถพิเศษถ้าถ้าคนไหนที่บรรลุแล้วมีความสามารถพิเศษนี้เทวดาก็จะมีที่พึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้กับเทวดาทุกคืนนะแต่ถ้าไม่มีความสามารถก็ติดต่อกันไม่ได้แสดงธรรมให้ไม่ได้คือตามบารมีที่ท่านม ที่โลกของเทวดามันไม่มีคนอดอยากขาดแคลนไงก็เลยไม่ต้องทําบุญกันเพราะทุกคนเป็นเศรษฐีกันหมดทุกคนมีบุญกันหมดแต่ยังไม่มีปัญญายังไม่มีสมาธิก็เลยสอนให้สอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องสมาธิให้กับเทวดา <c oughs> แล้วแล้วแล้วที่ก ว, ว่าคือในโลกมนุษย์เนี่ยคือทําบุญได้เยอะแต่ที่อื่นทาไม่ได้ใช่ไหมปุ๊บทีาทำไม่ได้เลยเอ่ไม่มีที่ทำคือมีที่นี่ทีเดียวอ ทำได้ก็น้อยทำได้ต้องบุญบางชนิดอย่างเทวดาก็ทำบุญในระดับปัญญาฟังเทศฟังธรรมนี่แต่จะทำบุญให้ทานมันไม่มีที่ทำต้องมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมีคนมาขอทานยางมีพระมาเนี่ยจะได้ให้ทำบุญกับพระก็จะได้ทำบุญได้ต้องมีทั้งคนให้มีทั้งคนรับถ้าทุกคนเป็นเศรษฐีก็ไม่มีใครมาทำบุญ อย่างประเทศที่เขารวยนีเ่เขาบางทีก็ไม่ทำบุญกันเพราะทุกคนมีรายได้ถ้าไม่มีรายได้รัฐบาลก็เป็นผู้ที่มารับไปรับค่าใช้จ่ายไปเพราะประเทศที่ร่ารวยเขาเลยทำบุญกันไม่เป็นฝ mm. ลังมาวัดแต่ละคนนี้ไม่เคยทำบุญเลยมาปฏิบัติธรรมกี่วันไม่เคยใส่บาทนะแต่บาดีแต่คนไทยนี่เข้าวัดที่ไรนีต้องทาบุญ ท, ทันที คนไทยถูกสอนให้ทำบุญกันอะว่ามาถ้าาสมุว่เขากินไม่ได้เหรอเขาไม่ก็ไม่ได้เหรอแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าด้วยซ้ํำไปเพียงแต่เราเชื่อว่ามีเท่านี้เหมืนเขานขาี่เหมือนเขานี่ไม่เคยทำอะไรให้กัาเจ้าที่เลย <laughs> <laughs> มันอยู่ที่ความเชื่อถ้าเชื่อว่ามีมันก็มี แต่ความจริงมันไม่มีหรอกเยาวทีอาทางไม่มี้มาาก็ถ้าเอาใส่ไปใส่าบาตรก็ไปทําบุญไงเอาของที่เราว่าเนี่ยไปแจกคน<ม>คนยากจนก็ได้แล้วก็อุทิศบุญที่เราให้จากการให้ทางนี้ไปให้กับเขาเขาก็จะได้รับส่วนนั้น<ม>ถ้าเขารอรับอยู่นะ<ม>อาจจะไม่มีใครรอรับอยู่ก็ได้งแต่เราเชื่อเท่านั้นเอง ทำไมประเทศฝลังไม่เห็นมันมีไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยเดี๋ยวเจ้าที่มันอดตายกนหมดเลยนะฮะมันไม่มีหรอกก็เลยเชื่อเขาตทำไหว้กลัว่าไงความกูวเดี๋ยวถ้าไม่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเนี้ยวมันจะมาทําให้ชีวิตเราบัตรซบขึ้นมาแล่วมันก็เลยกลัวเลยไหว้มันทะก่อนเนี้ยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจมันไม่มีหรอก ได้ทําได้ อ, อ, ได อ, อ, อย่าไปไหว้อย่าไปเอาไปเส้นไปไหว้มันไม่ได้หรอก<ช>เขากินอาหารทิพตัวนี้เป็นกายทิพตเขาต้องกินอาหารทิพตอาหารทิพตก็คือบุญความสุขอิใจอิ่มใจที่เราได้จากการทําบุญเนี่ยเราก็แบ่งความสุขใจอิ่มใจนี้ให้กับเขาไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปตามสถานที่นั้นแล้วเราเราตั้งใจบุญกุศลที่เราสร้างให้เขานีเขาจะได้ไหมคะถ้าก็รอรับอยู่ก็ได้ ถ้ามีถ้าเขารอรับอยู่แต่เราไม่รู้มีหรือเปล่าปกตินี้เขามักจะทำกันตามต้องมีเหตุอย่างสมัยพุทธกาลนี้มีพระเจ้าแผ่นดินท่านท่านบอกว่าคืนหนึ่งมีไม่รู้ใครมาส่งเสียงอึกกระทึกคึกโครงในวังก็เลยไปถามราพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรพระุทธเจ้าบอกเป็นลูกน้องเก่าเคยรับใช้ในชาติก่อนชาติก่อนพระองค์เคยเป็นกษัตริย์แล้วลูกน้องนี้เป็นมาอมต ก็สั่งเอาเงินให้อมาัไปทําบุญอมาัมันก็ยักยอกไม่ทําหมดพอตายไปอัมาัไม่กลับมาเกิดเป็นเป็ดก็เลยกลับมาขอส่วนบุญจากพระเจ้าแผ่นดินในปัจจุบันนี้แล้วเขาก็ถามเราจะทำยังไงพระเจ้าบอกก็ทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเป็นี่มันต้องมีเหตุมันถึงจะอ่มีเป็นเรื่องเป็นราวแต่พวกเราเนี่ยมันทำกันจนกระทัางติดเป็นนิสัย พอทำบุญกูก็กวดน้าให้เปยก่อนแล้มีหรือไม่มีก็ข อ, อกวดไปก่อนเหมันกัอาจจะมีก็ได้อาจจะเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ทําไว้ก็ดีอย่างนอา้องตาท่านก็พาทําาอ่เยที่ให้ทําทํานี่ก็แปลว่าทําให้กับเปย์นี่แล้วแล้วถ้ า, ถ, าถ้าอยู่ในโลกลึกลเนี่ยบุญนี้อัอไม่ได้ไม่ไ ด, ไมได้มีพวกเดียวคือพวกเปยนะ์พวกเดรชาญเขาก็ไม่มารับ พวกผีอสูรกายเขาก็ไม่มารับพวกนางลต ก, ก็ติดคุกออกมาไม่ได้เอบลถูกความรุ่มมีแต่ความรุ่มล้อมจิตใจมันไม่หิวมันแต่ร้อนมันไม่หิวข้าว ม, มันร้อนมันอยากจะได้ความเย็นแต่เปรตนี่มันหิวมันอยากเนี่ยทําถ้าทําำบาปด้วยความอยากเนี่ยจะไปเป็นเปรตอยากได้มากๆอยากกินมากๆก็ไปขโมยข้าวเข า, เขามากินอย่างนี้กินก็ไม่อิ่ม กินแล้วก็อยากกินอีกตายไปก็เอาความอยากนี้ไปแต่ว่าคนที่ตกนรกนี่ก็ดับบุญดับบากไม่ได้รับไม่รับมันคนละเรื่องรับไม่ไดไ้ส่งไปให้พวกคิวพวกเปรตได้พวกเดียวนั่นพวกอื่นเขาไม่เขาไม่รับเทวดาเขาก็รวยบุญแะ้วเขาไม่หิวเขามีบุญของเขาเอง <ừ. S 1> พวกเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาได้พวกมนุษย์ก็หากินเองได้ ก็มีพวกเดียวที่หิวแล้วไม่มีใครเลี้ยงหาเองไม่ได้ก็คือพวกเปรตก็เลยต้องอาศัยพวกมนุษย์ที่สามารถทําบุญแล้วแบ่งบุญนี้ให้กับพวกเปรตนี้ไปได้พวกเจ้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเปรตหรือเป็นอะไรอาจจะเป็นเทพก็ได้อาจจะเป็นผีก็ได้กายที่มันมีหลายชนิดไงเป็นพวกสัตว์นรกนี่มันไม่ออกมายุบกับใครแล้วมันอยู่ในนรกเย แต่พวกที่มาวนเวียนอยู่อาจจะเป็นพวกผีเออสูรกายหรือพวกเบสหรือพวกเทพเทพกับพวกลุกคเทพพวกลุกพวกเทพนี้ชอบลูกคเทพชอบอยู่ตามต้นไม้ก็ว่าอย่างนี้อยู่ตามต้นไม้ลุกคเทพแ ล, แ, ลแล้วแล้วแล้ววันพักเนี่ยไปนรกดับไหมฮะไม่ดับไม่ดับเอไปไม่มีวันดับมันจะดับเมื่อกรามมันหมด อของใค ร, ใครของมันผมเข้าใจว่าฝ่ายนรกหนักแต่พวกมันขึ้นมาขอส่วนบุญไม่ใช่ไม่มีคือถ้ามันด่าก็แสดงว่ากรรมมันหมด น, นี่ก่อนที่มันจะเอาใจคุกมามันก็ต้องมาเป็นขอทานก่อนอเอาไปชั้นะอาจารย์ไหเพราะว่าเวลาเอามันจากคุกใหม่ๆมันก็ไม่มีเงิ น, นะก็ต้องมาขอเป็นขอทานก่อนพอขาทานได้แล้วก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหรืออาจจะไปเป็นเนรชานก่อนก็ได้ เากรรมันยังมีติดตัวอยู่กรรมที่จะต้องไม่ใช่เป็นเดรัจฉานยังจะมีอยู่ก็ได้อาจจะเป็นขั้นขั้นไปออกจากนรกมาเป็นขอทานมาเป็นผ í, แนนนีแล้วก็มาเป็ น, มนอมาเป็นเดรัจฉานแล้วนคน่อย ม, มาเป็นมนุษย์ต่อแล้วแต่บางคนก็ออกมาป๊อปเลยมาเป็นมนุษย์เลยก็ได้แต่แตกต่างกันถ้ า, ถา ม, มาจากสวรรค์อาจจะเกิดครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะมีบุญเกา่าแต่ก็เกิดมาเกิ ด, กดอิจัาตามต้อตามก้ออาภัพวาสนาะ พวกที่ขึ้นจากที่ต่ำนี่จะเป็นพวกที่อาภัพวาสนาพวกที่ลงมาจากที่สูงนี่จะเป็นพวกมีวาสนามนุษย์เราถึงมีความแตกต่างกันบางคนทำไมถึงสบายสุขล่ำ้วยมีกินมีใช้บางคนนี่อดอยากขาดแคนก็พพาะนีะน่มันมาจากที่บุญก็ ม, มาจากที่บาป พ, พามากระจาย้ลยนะ เรื่อ<า>งเวนเนี่ยคือเวนไหวตายเกิดนจะให้ทางบ้านก็ถามต้องนะ เ, เข้าามถามจาก y ยูทูบไลฟ์ถ้าเรารู้สึกโดนเอาเปรียบแต่ต้องทํางานให้รู้ล่วงจะทําอย่างไรดีครับก็คิดว่าเราทําบุญไปไงเราได้ทําเยอะๆเราจะได้มีผลงานเยอะๆเผอวันหน้าเจ้านายก็จะได้อพิจารณาแล้วก็ ให้รังวีรางวัลหรือขึ้นเงินเดือนหรือให้ตำแหน่งที่ดีก็ได้ขอให้มองว่าเป็นข้อสอบดีกว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นการเสียเปรียบเป็นการทดสอบว่าดูว่าเราเป็นคนดีไม่ดีคนเสียสละไม่เสียสละคนเก่งไม่เก่งเขาอาจจะทำให้เป็นเหมือนข้อสอบแล้วถ้าเรายินดีทำอย่างเต็มที่ทำแบบสุดๆเอาผลงานเป็นหลัก แล้วต่อไปมันอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจเราย่าไม่เราไม่ได้ทําเพื่ อ, อเพื่อผลตอบแทนจากผู้อื่นเราทําเพื่อประโยชน์กับเราก็าจะทําให้เราเป็นคนที่มีความขยนันมีความอดทนมีความเสียสละไม่ไปคิดเสียเปรียบ มองโล่งในแง่บวกได้มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงฝีม้ืมอได้ทำงานอย่างเต็มที่ดีกว่ามาคิดว่าเราถูกาลาเอาลัดเอาเปรียบทำงานมากได้เงินเดือนน้อยกว่าเขาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีความผลขวายที่อยากจะทำมากมันก็จะได้เงินเดือนน้อยไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีผลงานออกมาคาถามจากาอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณติประพสสอน ความปวดที่เกิดขึ้นขณนะนั่งสมาธิเราควรเอาจิตจดจ่ออยู่กับความปวดหรืออยู่กับพุโทโธคะอยู่กับพุโทโธดีกว่าเพราะถ้าเราไปอยู่กับความปวดมันจะเกิดความอยากให้หายปวดนั่นเราอย่าไปคิดถึงมันจะดีกว่าแล้วมันจะทำให้เราลืมความอยากให้มันหายปวดได้คำถามจากคุณรติพร นมเป็นน้ำปลาน้ำปานะให้ท้สาสันยามวิการได้หรือไม่คะไม่ได้หรอกนมถือว่าเป็นกลุ่มของอาหารอาหารเสริมคำถามจากคุณจิระพัฒร์ลูกแม่งภาวนาทุกเช้าฝึกตรึกรู้ในชีวิตประจำวันเช้า ว, วันหนึ่งตื่นนอนเข้าห้องน้ำขณะเดินไปเห็นรูปตัวเองกำลังเดินเหมือนสิง่งหนึ่งเดินอยู่พอมีสติรู้ลมหายใจก็รู้ตัวปกติ ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากผลของการเจริญสติหรือเพราะความรู้สึกของเราคะก็อย่าไปสนใจเลยมันมาจากไหนขอให้เรารู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเรากําลังดูร่างกายนี้เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ปล่อยวางมันให้ได้ถ้าเราปล่อยมันได้แล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันเรื่องการที่มันจะเป็นมาเพราะอะไรมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีความจําเป็นจะต้องรู้ ขอให้รู้ว่าอพยายามให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพยายามมองร่างกายว่าเป็นคนใช้เราเราพามันเข้าห้องน้ํำพามันไปอาบน้ําเดี๋ยวมันแก่แล้วก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะมันไม่ใช่เราเราเป็นพี่เลี้ยงมันเราเป็นเจ้านายมันเราพามันไปอาบน้ําพามันไปทําอะไรต่างๆเวลาไม่สบายเราก็พามันไปหาหมอ รักษาหายก็หายไม่รักษาไม่หายจะตายก็ให้มันตายไปเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันให้มองแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันหัวล้อกันยิ้มกันทำได้นะถ้าฝึกทำนี้บ่อยๆมันจะมันจะเห็นอย่างนี้เองอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การคิดตอนนี้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายมันก็เลยพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เดือดร้อนขึ้นมาทันที พยายามหมันคิดบ่อยๆว่าเราเป็นเจ้านายร่างกายเป็นลูกน้องเราเรากำลังพาลูกน้องไปทํานู่นทํานี่สักวันลูกน้องมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปเท่านั้นเองคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะปล่อยเองเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วมันไม่ทุกข์ที่มันปล่อยไม่ได้เพราะมันไม่มีกําลังก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันถ้านั่งสมาธิแล้วก็จะมีกําลังปล่อย จากคุณยานิสาถวายพระธาตกับการถวายตัดใจได้บุญต่างกันอย่างไรคือเงินยังไปซื้อข้าวกินได้พระธานุมันไปซื้อข้าวกินไม่ได้ครับถามจากคุณปภาวีการติดทองฝังลูกนิมิตเกี่ยวข้องกับศาสนาไหมคะก็เกี่ยวอยู่นิดหน่อยคือ สมัยโบราณเนี่ยเวลาจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับรังวัดเหมือนกับที่เราไปซื้อที่ปลูกบ้านเนี่ยเขาจะมารังวัดที่ของเราว่าบริเวณของที่ของเราอยู่ตรงไหนทิศเหนืออยู่ตรงไหนทิศใต้อยู่ตรงไหนการฝังลูกนิมิตก็เหมือนกับการไปวางไปรังวัดบริเวณโบสถ์รอบโบสถ์จะมีลูกนิมิตอยู่กี่รูกไม่รู้แปด ล, ลูกหรืออะไรเนี่ยจะได้บอกรูกว่านี่คือ ที่จะสร้างโบสถ์เพราะะนั้นเองในสมัยนี้คือเป็นเป็นเหมือนกับในสมัยพุทธกาลเขเป็นวิธีรังวัดสถานที่การจะสร้างโบสถ์ทั้งทำเรานี้ก็ต้องกําหนดอนณาเขตก็<ม>เอาลูกนิมิตนี้ไปวางไว้เป็นจุดต่างๆจะได้รู้ว่าเป็นที่จะสร้างโบสถ์นี้เวลาสมัยนี้เราจะสร้างโบสถ์แล้วก็ทําเหมือนกัน แต่ทำว่ามันจะให้มันพิสดารหน่อยต้องเอาให้ญาติโยมมาปิดทองเพื่อจะได้เอาเงินมาสร้างโบสถ์ได้เห็นไ่มถ้าญาติโยมไม่มาปิดทองก <Monsieur> ็ไม่มีไม่มีเงินจะสร้างโบสถ์มันเป็นอุบายของพระหาเงินก็าเห็นไหมต้องปิดทองเนี่ยเวลามาปิดทองญาติโยมจะปิดที่เที่ยหะเก็ต้องซื้อทองมาปิดใช่ไอมไปซื้อที่ไหนเข้าไม่ให้มาซื้อต้องมาซื้อที่วัดเนี่ยใช่ไหม ทอจริงๆมันอาจจะแค่สิบาทแต่ต้องซื้อร้อยบาทนี่เพื่จะได้เอาเงินเก้าสิบบาทเนี่ยมาเป็นค่าก่อสร้างก็เลยเป็นธรรมเนียมมาเวลาจะสร้างโบสถ์ไม่มีเงินก็ต้องจัดพิธีปิดทองฝังลูกนิดเนี่ยบางวันนี่ปิดมาเป็นสิบสิบปีเพราะเงนินยังไม่พอปีหนึ่งก็ได้แค่แค่นี้ 2, 3, ค่าสองสามหมืน่นแค่แล้วนี้โบสถ์มันหนังต้องหลายล้านอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องปิดหลายหลายปีด้วยกันกว่าจะได้ นั่นแหละถึงมาที่มาของว่าทำไมต้องปิดทองฝังลูกนิมิต ก, กันยังไม่ฝังกันเนีพยก็ยังยังเงินกันไปพอบุญจ้างสร้างไม่เสร็จแต่พอเงินพอแล้วทีนี้ก็มีพิธีฝังแล้วฝังแสดงว่าจบแล้วคําถามเจ้คุณอนุสอนเวลาสวดมนต์มีแต่ความโลภเข้ามาครับพอได้หินว่าสวดบทนี้แล้วจะได้อ น, นิสง์แบบนี้มันเลยโลภสวดเพราะอยากเป็นแต่ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเหตุผล ควรแก้ไขอย่างไรให้เวลาสวดมนต์มีแต่ความสงบทุกวันนี้ผมพยายามสวดบทพุทธคุณให้ครบหนึ่งอแปดทุกเช้าเย็นครับคือความอยากจะสวดมากๆอ่ะดีสวดไปถ้าไม่อยากสวดมันก็จะไม่สวดแต่อย่าไปหวังผลที่มันไม่เป็นผลเท่านั้นเองบางคนสวดแล้วจะร่ําจะรวย่าสุขภาพจะสมบูรณ์แข็งแรงแข้วค่าปลอดภัยเนี่ยถ้าหวังผลอย่างนี้มันจะไม่ได้ เพราะผลที่จะได้รับจากการสวดจริงๆก็คือทำให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านทำให้ใจสบายถ้าเราสวดนี้เราต้องรู้ว่าผลที่เราจะได้รับจากการสวดนี้เป็นอย่างไรสวดบนไหนก็ได้เหมือนกันการสวดนี้จะสวดคาถาไหนาบทไหนมันเป็นอุบายที่จะดึงใจให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆและคำสวดนี้เป็นคาสวดที่ไม่ทาให้เกิดอารมณ์เป็นคำสวดที่ทาให้ใจเราสงบ เท่านั้นเองนี่คือเรื่องกอการเป็นการฝึกทำสมาธิแบบง่ายๆแบบไม่ลึกถ้าอยากจะลึกกว่านี้ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือสวดอยู่คำเดียวคือพุทโธพุทโธไปมันถึงจะลงไปลึกถึงจะรวมเป็นสมาธิได้คำถามจากคุณกิจมีเหตุอะไรจึงทำให้เกิดโรคทิพย์ขึ้นมาครับ อันนี้เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าบอกอาจินไตยอย่าไปถามไม่เสียเวลาของมันมีอยู่เป็นอยู่ก็อย่าไปสนใจว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรไม่มีใครรู้ขอให้รู้ว่ามันมีก็แล้วกันคำถามจากคุณกรลาวีการให้ทานผู้รับมีศีลและผู้ให้ก็มีศีลจะได้อ น, นิสงส์มากแค่ไหนคะเรื่องศีลไม่ศีลไม่เกี่ยวกันแ่ะ เรื่องการให้นี้อยู่ที่ว่าให้ด้วยสิ่งที่เราให้นี้เป็นของบริสุทธิ์หรือเปล่าเป็นของที่เราขโมยมาหรือเป็นของที่เราไปหามาด้วยวิธีที่ถูกถูกต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมถ้าของที่ให้เป็นของบริสุทธิ์นี่มันก็จะไม่มีโทษตามมามีจะมีคุณอย่างเดียวคุณก็คืออยู่ที่ใจของผู้ให้ด้วยว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ให้เพราะความโลภ อยากได้ของสิ่งตอบแทนกลับมาหรือไม่ถ้าให้เพือยากจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจทางที่จะเป็นบุญคือความสุขใจก็กลายเป็นทุกข์ใจไปเสียใจไปแต่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เพื่อจะให้คนรับมีความสุขให้เขาได้รับประโยชนจากการให้ของเราโดยที่เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเวลาให้ไปแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา ไม่สำคัญว่าใครเป็นผู้รับด้วยจะมีศีลไม่มีศีลให้พระก็ได้ให้โยมก็ได้ให้หมาก็ได้คนให้จะได้ความสุขเหมือนแบบเดิมแต่คนรับนี่เขาจะสามารถเอาของที่เรารับนี้ที่เราให้นี้ไปทำประโยชน์ต่างกันคนที่มีศีลเขาก็จะเอาไปทำสิ่งที่มีศีลเขาก็ังไม่ไปทำผิดศีล เอาไปให้หมานี่หมามันก็ยังไม่มีศีลมันก็ยัง ม, มันก็อาจจะไปกัดคนนั้นกัดคนนี้ได้หรือไปให้ให้ขโมยมันก็จะไปขโมยต่อให้คนกินเหล้ามันก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินฉนั้นคนรับมันก็จะต่างกันตรงนี้ต่างที่ว่าคนรับนี่เขาจะาไปทําอะไรต่อทําประโยชน์หรือทําโทษกับตัวเขาเองหรือกับคนอื่นด้วยหรือกับกลับมาทำโทษกับเราก็ได้ให้เงินเขาไปกินเหล้าเขาเมาเขาก็กลับมาทุบตีเรา <S <S ได้มแเราก็ต้องพิจารณาหลายหลายอย่างด้วยกันแต่การให้ของเรานี้มันเป็นความสุขใจที่เราจะได้รับถ้าเราให้ด้วยด้วยความเมตตาเพื่ออยากจะให้เขามีความสุขจากการให้ของเราให้ใครก็ได้เหมือนกันหมดให้คนมีศีลให้คนไม่มีศีลให้พระให้เดรัจฉานการให้ของเรานี้ให้ความสุขเหมือนเหมือนกัน แต่คนที่รับไปเนี่ยเขาอาจจะไปทําอะไรดีก็ได้ทําไม่ดีก็ได้อันนั้นเราก็ต้องพิจารณาอีกทีถ้าคนไม่ดีเราก็อย่าไปให้เขาให้เขาไปกินเล้าแล้วเดี๋ยวเขาเมาแล้วเขากลับมาทุบตีทุบตีเราอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปให้ถ้าเขาไปทำสิ่งไม่ดีก็คื อ, คอเราไม่ได้บาปใช่ไหมคะเราไม่บาปแต่เราส่งเสรมิมเราเหมือนกับว่าเราเราไปทําให้เขามีกําลังน มีเครื่องม้าเครื่องมือ <ST an th il ogue> ที่จะไปทำบาปได้ให้เงินเขาไปเขาก็จะได้ไปกินเหล้ากินเหล้าแล้วเขาก็เมาแล้วเขก็ไปทาร้ายผู้อื่นได้แต่ถ้าไม่ให้เงินเขาเขาก็ไม่มีเงิน ก, กินเหล้าเขาก็ไม่เมาเมื่อเขาไม่เมาเขาก็ไม่ไปทาร้ายใครัง <ST an th al ian> ั้นเวลาจะให้ใครก็ต้องดูว่าเขาจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เราให้ด้วยที่เราให้กับพระได้อย่างความสบายใจเพราะเรารู้ว่าพราะไม่ได้ไปทาทาโทษทำอะไรกับผู้ทาประโยชน์ พระกินข้าวแล้วพระจะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมแล้วพอบรรลุธรรมก็มาสั่งสอนญาติโยมอีกต่องั้นการทําบุญกับพระมันจะทําให้เราได้ประโยชน์สองต่อประโยชน์ที่เราได้จากการให้และประโยชน์จากการที่เราส่งเสริมคนดีให้ไปทําความดีเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมอีกต่อไปคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อสุ วิธีพิจรารณาผมขนเล็บฟันหนังทำอย่างไรคะก็ให้นึกถึงเรื่อยๆอยงไงว่าร่างกายเราเนี่ยมีสามสิบสองอาการมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและไม่ใช่เฉพาะร่างกายของเราร่างกายของคนทุกคนก็เหมือนกันถ้าเรานึกถึงอาการสามสองนี้มันจะทำให้เราตัดความลหลงไหลในร่างกายของเราและของคนอื่นได้บางทีเราลหลงไหลในความสวยงามของร่างกายเราเพราะเราเห็นเพียงแต่ภายนอก เห็นแต่หนังเห็นแต่ผมนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นว่าข้างในร่างกายเรามีทั้งกระดูกมีทั้งลำไส้มีทั้งหัวใจมีทั้งตับมีเราก็บอกเอ้เราก็ไม่ได้สวยงามเลยนักหนาทําอะไรน้อต้องมาบ้าเสริยงความงานกับไอ้แค่ผิวหนังนี้นั่นเองเตอนนี้ผิวหนังมีมีสิวแม้เดียวก็ทุกข์ละแต่ไม่รู้ว่าที่ข้างในนี่โหมีตับมีไตมีลำไส้ก็ไม่ทุกข์กับมันเลยเอ แต่ถ้าเราดูบ่อยๆแล้วมันจะมองว่าโอ้ยร่างกายของมนุษย์เรานี่ไม่มีอะไรที่น่ารักเลยน่าดูเลยเป็นรู้จะเสียเวลาไปเสียงความงามกับมันทำไมเราจะไม่ไปหลงรักใครเม่จะไม่อยากจะมีใครมาเป็นแฟนเราจะอยู่คนเดียวได้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราเพราะเราสามารถที่จะเอามาแยกแยะดูเลยถามนั่นทีละชิ้นเลยว่าผมนี้เป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดผมไปแล้วโกนผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่า เวลาตัดเล็บไปแล้วเราหายไปกับเล็บรืึเปล่าอืมันไม่มีแหละ อ, อาการสามีสองนี่มันก็เป็นเพียงอาการใช่มเองมันไม่มีตัวเราอยู่ในอาการเหล่านั้นมันก็จะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเออ่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับมันปล่อยวางมันได้อตอนนี้เราเคิดว่าเป็นเราหมดใช่ไหมผมก็เป็นเราฟันก็เป็นเราใช่ไหมผมหัวเส้นเดียวก็ทุกข์ขึ้นมาแนละ้วอ นี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายที่ให้พิจารณาต้องพิจารณาบ่อยๆจะไม่ลืมแต่เราไม่ไ ม, ไม่ทุกครั้งที่เรามองเห็นร่างกายเราเห็นอาการสามสิบสองไหมไม่เห็นเลยเห็นแค่ห้าอาการเห็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังไอ้ทานั่นเองผมขนเล็บฟันหนังยุ่งกับไอ้ห้าอาการเนี่ยทําเล็บทําผมทำฟันทำหนังอยู่ไอ้สวยๆไม่ค่อยเห็นเลย แล้วก็หลงไหลข้างใครไปกับไอ้ห้าอาการนี้ท่านั่นเองแต่ถ้าดูทั้งสามสิบสองอาการแล้วมันก็จะโอ้เหนื่เหมือนกับมันก็ไม่มีอะไรน่าดูเลยร่างกายไป ท, ทำลำไส้บ้างนะก็ทําเหมือนกันแต่ให้คนอื่นทําแล้วก็วางยาฉลอตัวเองไม่รู้เแล้วก็ทําลำไส้เราตัดลำไส้เราออกไปก็มองไม่เห็น <S <S ใช่ไหมออ่อานะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา